ท่านผ่อนที่เคารพคะเราอยู่ในช่วงเวลาของรายการสัมมนาสนท น, นานะคะซึ่งดาเนินรายการโดยดิฉันสัมม น, นาณพงคะ่ะต่อจนี้ไปก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้มาฟังการตอบคำถามที่ท่านทั้งหลายได้ส่งกันมาทั้งที่ส่งทางเว็บไซต์นะคะ piutama.com/106 ตลอดจนก็บทั่งอาจจะเป็นประเด็นคำถามที่มาจากภายนอกด้วยคะ่ะตอนนี้เราก็จะมา นมัส ก, การพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุนโนซึ่งจะมาเป็นผู้ที่เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจะนะกันก่อนค่ะนมัส ก, การคะ่ะท่าง ค, ค่ะใช่อาจารย์พรค่ะวันนี้คําถามของท่านนี่เป็นคําถามที่เกี่ยวกับความรักคะ่ะท่านคะ <laughs> <c oughs> คนถามนี่คอคุณกำมลอืนคุณกำมลถามมาว่าประโยคที่ว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกที่ใดมี ที่นั่นมีทุกมีพุทธวจะนะตรัสไว้เช่นไรอขอทั้งบาลีและคําแปลด้วยค่ะมีไหมคะรู้สึกว่าคําว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกเนี่ยจะมาจากเนื้อเพลงน ะ, ม, ะมาเคยได้ยินคํานี้อยู่ค่ะเดี๋ยวฉันก็พอร้องได้นะครับเพลงที่ท่านคิดว่าน่าจะที่มาเนี่ยค่ะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้หลายครั้งน ะ, ะตรัสไว้กับมีขรรภดีคนหนึ่งเขาอ หน้าตานีิบูดเบีย้ยวเลยพระชจาก็าเอา้าทำไมหน้าตาบูดเบีย้ยวไปขนาดนั้นหน้าตาเศร้าว่างั้นเถอะเขาก็บอกว่าจะไม่ให้บูดเบีย้ยวไม่ให้เศร้าได้ไงก็ลูกที่ลูกน้อยที่น่ารักหน้าเอ็นดูคนเดียวเนี่ยตายเสร็แล้วแล้วก็ทุกวันก็เอาแต่ไปที่เผาศพลูกด้วยแล้วก็ร่ําใครคร่ําครวญอยู่ว่าลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนเงี้ยนะพระชจาก็าาาบอกว่าอา้าวนี่แหละความความโศกย่อมเกิดมาแต่ความรัก นะความโศกย่อมเกิดมาแต่ความรักเมื่อพ้นแล้วจากความรักความโศกก็ไม่มีอ่างนีเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นพุถุวชนะที่ที่มีมาความโศกย่อมเกิดเกิดมาแต่ความรัก่ตรงนี้ถ้าจะพูดให้เต็มพุทธเจ้าบอกว่าความโศกโศกย่อมเกิดเกิดมาแต่ความรักความกลัวย่อมเกิดมาแต่ความรักเมื่อพ้นแล้วจากความรักความโศกย่อมไม่มีแล้วความกลัวจะมีมาแต่ไหนเล่า ครัน <ok yes> ี่นะคะขอดิชันรีบโน้ตโดยเร็วเมื่อพ้นแล้วจากความรักความโศย่อมเอ้ยความโศย่อมไม่มีใช่แล้วยังไงนะคะท่านแล้วความกลัวจะมีมาแต่ไหนเล่าระหว่างนี้ท่านผู้ฟังก็คิดใคร่ครวนไปนะคะดิฉันกำลังชดโน้ตอยู่ค่ะพอบอกขระบดีคนนี้ไปเนี่ยขระบดีคนนี้ก็ไม่ยอมรับคำคัดค้านของพระรุทิเจ้านะเขาบอกว่าพระบดีคนนี้ก็บอกว่าอ้า ความโศกความน่ำรวยลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแค้นใจเนี่ยมีของรักเป็นแดนเกิดได้อย่างไรเพราะว่าของรักนี่แหละเป็นที่ตั้งนะแห่งความพอใจความเพลิดเพลินต่างๆใช่ไหมเขาไม่ยอมรับคําคัดค้านของบริจ้าก็เดินไปแล้วก็ไปหานักเลงสกาเล่นสกาน ะ, ะ, ะกลุ่มหนึ่งก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนักเลงสกาก็บอกว่าโอ้ยแน่เลยเพราะว่าความ โศกความสนุกสนานเพลิดเพลินพอใจเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดเขาก็พอใจว่าโอ้ยมีความเห็นตรงกันละแล้วก็เดินจากไปหมายความว่าหมายความว่าปุถุชนทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ของรักเนี่แหละของที่เรารักชอบใจเนี่แหระเป็นนํามาสึ่งความทุกข์จะไม่เข้าใจพวกที่เข้าใจก็คือพวกที่ได้ฟังธทำปฏิบัติธรรม พวกที่ไม่เข้าใจก็คือพวกนักเลงสกาเพราะฉะนั้นถ้าใครมามีความคิดว่าโอ้ยฉันจะมีความสุขได้ก็เพราะมีของรักของชอบใจของพอใจคุณเห็นชอบคุณเห็นตรงกันกับพวกนักเลงสกาค่ะนะคะ <laughs> ดังนั้นที่คุณกระมวลถามท่านอาจารย์มา <laughs> ว่าประโยคที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์พุทธวจนะตรัสไว้เช่นไร <laughs> ท่านเข้าใจว่าน่าจะ สอดคล้องกับพุทธวจนะที่ได้ตรัสกับข่าบดีนี้ใช่ใชที่ว่าความโศกย่อมเกิดมาแต่ความรักความกลัวย่อมเกิดมาแต่ความรักมเมื่อพ้นแล้วจากความรักความโศกย่อมไม่มีแล้วความกลัวจะมาจากที่ไหนเล่าดิฉนันยังจะไม่ไปไหนต่อนะคะยังสงสัยอยู่แถวๆถวนี้คะ่ะท่านอาจารย์คะที่ว่าพุทธวจนะดังกล่าวนั้น ในส่วนความโศกย่อมเกิดมาแต่ความรักเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าเวลาที่ไม่สมดังความรักมันจะเกิดความโศกใช่แต่ไอความกลัวเนี่ยค่ะยังงงๆอยู่เลยว่าหมายถึงช่วงไหนนะอืมความกลัวเกิดมาจากความรักก็คือว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปของความรักเอ่อของสิ่งที่เรารักจะมีความกลัวเกิดขึ้นนะเพราะว่าคนที่เศร้าโศกเนี่ยก็จะโศกเนี่ยมันก็มีได้หลายอาการนะ ท่ำให้<ะ>ข้ามกรวนก็ได้นะคนที่ตุบอกชกตัวงุนงงหลงไหลนี่ก็เพราะว่ากลัวเพราะฉะนั้นกลัวที่จะพลัดพรากจากของรักของชอบใจไปนะความกลัวตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างสมมติเราบอกว่าเราเข้าป่าอย่เงี้ยกลัวผีคุณกลัวผีทําไมคุณกลัวผีก็เพราะว่าคุณกลัวตายจริงๆแล้วคุณยังมีความยึดถือว่าเอ้นี่ตัวฉันของฉันนะถ้ามีใครมาฆ่าฉันฉันตายนะฉันกลัวคะ่ะอ๋อหมายถึงว่า กลัในสิ่งที่จินตนาการไปใช่ว่าถ้าเกิดเขาไม่รักเราเขามีปัญหาแบบเรื่องเลยาที่เราพูดมาทั้งหลายทั้งปวงในสัปดาห์ก่อนใช่ไหมคะใช่ถ้าอย่างนัท้ทีนี้เออ่เมื่อพ้นแล้วจากความรักความโศกย่อมไม่มีแล้วความกลัวจะมาจากไหนเล่าอืแปล ว, ว่าความโศกกับความกลัวเนี่ยมันสัมพันธ์สอดคล้องกันเป็นลําดับอันเนื่องมาแต่ความรักถูกไหมคะถูกต้องถูกต้อง นะคะก็เป็นเหตุเป็นผลกันว่าเมื่อไม่มีความรักมันจะไม่มีคือไม่ความรักเป็นเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงก็เลยจะไม่เกิดขึ้นถูกต้องโหท่านคะทีนี้ในโลกที่ไม่ใช่คนยังฝักใยทำชนิดที่ว่าจะไปพ้นโลกละ โลกปัจจุบันเนี่ยคะ่ะคนก็ยังแสวงหาอยู่นะคะดิฉันเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เลยด้วยซ้ำไปถูกต้องถูกต้องทุกคนต้องมีเป้าหมายในชีวิตค่ะนะแต่ความรักตรงนี้หมายถึงอะไรคุณโยมติว๋วความรักตรงนี้หมายถึงความเพลิดเพลินกำหนัดยินดีพอใจเข้าใจไหมความเพ ล, ดเพลิดเพลินกำหนดเพลิดเพลินอย่างลงนะยึดถือโดยความเป็นของเราแต่ แต่ความพอใจความสันโดษเราต้องมีไม่งั้นบุรุษเจ้าจะตั้งความปรารถนาเป็นสมมาสมบูรุษเจ้าได้ยงไงแต่พระองค์ไม่กําหนัดไม่มัวเมาลุ่มหลงในความเป็นสมมาสมบูรุษเจ้าเพราะว่าคนจะเป็นสมมาสมบุทุษเจ้าอย่างเงี้ยหรือพระอาหารหันต์จะลักกิเลสได้คุณต้องมีความพอใจมีความสันโดษนะแต่คุณจะมากําหนัดลุ่มหลงมัวเมาในความเป็นพระอรหันต์ไม่มีทางจะเป็นพระอรหันต์ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ อบอกว่าโอ้ยงั้นจะไม่ต้องทำอะไรแล้วสิจะปฏิบัติรมนี่ก็มุ่งหน้าเข้าวัดอย่างเดียวเป้าหมายในชีวิตไม่ต้องมีคนละเรื่องกันเลยคุณต้องมีเป้าหมายในชีวิตคุณต้องมีการวางแผนในการที่ทำอะไรข้างหน้าแต่อย่ายึดนะอย่าลุ่มหลงกำหนัดมัวเมาเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นนี่คือประเด็นความรักตรงนี้หมายถึงสิ่งนั้นอ๋อ อ, อันนี้สาคัญมากนะคะท่านผู้ฟังที่เคารพคะคือ เวลาที่เราทำรายการธรรมะหรือเวลาเราพูดธรรมะกับใครเนี่ยคะท่านภัยบูลคะ่ะอือเราจะมีความรู้สึกว่าบางคนเนี่ยเขาจะปฏิเสธต่อต้านเราอยู่ในใจเพราะมีความรู้สึกว่าในโลกทั่วๆไปคนทั่วๆไปมันก็คิดได้อย่างหนึ่งและไอ้ที่สิ่งที่ในการธรรมะนามาพูดสิ่งที่รายการสันสนีสนทนาถ้านอาจารย์ภัยบูลดิฉันสัสนีน่าพงนํามาพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดูเหมือนกับว่ามันผิดไปจาก ความเป็นจริงมันเป็นอุดมคติมากเกินไปเองถ้าถ้างนั้นคุณต้องไปถามพวกนักเล่งสกานักเล่งสกาบางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าท่านกําลังพูดถึงอะไรอยู่เนี่ยโลกนี้ไม่เห็นเคยได้ยินเลยปัจจุบันเนี่ยสกามันคืออะไร ส, สกามันคืออะไรคุณยมติ๋วทราบไหมถ้าทราบภาษาฝรั่งสกาแปลว่าแผลเป็นคะ่ะถ้างั้นสกาเป็นการเล่นอย่างหนึ่งคล้ายๆกับถ้าจะมาเข้าใจไม่ผิดคือพวกเล่นเปต์ตองเนี่ยพวกเล่นเปตอง ทอยอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะหรือว่าเล่นหมากอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละหมากเป็นการเล่นหรือว่าเป็นการแข่งขันด้วยถูกต้องเป็นทั้งการเล่นที่เป็นการแข่งขันเป็นแบบพวกนักเล่นลูกดิงลูกคางเล่นเปตองเล่นหมากเก็บเดินหมากฮอสอยู่อย่างนี้นะตามสนามหลวงเมื่อก่อนอาจจะเคยเห็นก็พวกนี้พวกนักเลงสกากเขาเจออะไรเหรคะท่านคะนักเลงสกากเขาเจออะไรถึงจะมา ปรับใช้กับเรื่องนี้ได้ไม่ใช่เพราะนักเลงสกาเห็นไม่ถูกไงถ้าคุณเห็นอย่างนั้นว่าเอ้ยความรักเป็นของดีฉันต้องแสวงหาอะไรต่างคุณไปถามนักเลงสกาแล้วกันคุณจะได้ความคําตอบที่สอดคล้องกันแล้วคุณก็จะพอใจเดินไปได้อ่าแต่ถ้าถามสมมาสมุทธยเจ้าก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าความโศกย่อมเกิดมาแต่ความรักความกลัวย่อมเกิดมาแต่ความรักเมื่อพ้นแล้วจากความรักความโศกย่อมไม่มีแล้วความกลัวจะมีมาแต่ไหนเล่าค่ะอืม แต่ว่าท่านไปบูนได้เพิ่มเติมไปว่าจากการที่ท่านศึกษาพุทธวจนะนั้นความรักในที่นี้ต้องขยายความว่า<ช>ต้องว่า อ, อย่าลุ่มหลงอย่ากําหนัดอย่ามัวเมาใช่รักได้วางแผนได้แต่อย่าลุ่มหลงอย่ากําหนัดอย่ามัวเมาอืมดิฉันมีตัวอย่างจริงๆจะถามคําถามท่านเรื่องอื่นนะคะ<ช>แต่พอสนทนากันมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยต้องกลับเรียนท่านว่าวันนี้เป็นกลางวันอได้เจอน้องรักคนหนึ่งซึ่ง เป็นคนฉเฉลียวฉลาดเก่งกาจในสายอาชีพเขาแล้ววันหนึ่งก็ตัดสินใจมาเรียนปริญญาเอก mm hmm. เพื่อลาออกจากงานเดิมที่ดีมั่นคงได้เดินทางต่างประเทศบ่อยมาเป็นคนที่ประกอบธุรกิจเต็มตัวคือมาดูแลรับผิดชอบตัวเองแล้วก็มามีลูกน้องอยู่ในบริษัทอะไรเงี้ย น, นะคะขับรถเบนซ์มีคอนโดหรูมีบ้านพักผ่อนตากอากาศ ขนาดใหญ่สามไร่อยู่ชานเมืองนี่ไม่ธรรมดาใช่ไหมคะมเป็นหนุ่มโสดอีกต่างหากดิฉันนั่งรถคุยกับเขาคุยกันไปอีท่าไหนไม่ทราบดิฉันก็พูดถึงเรื่องธรรมะที่มาสัมผัสเนี่ยเขาพูดว่าเขาบอกตรงๆเลยว่าไอ้ที่เขามีอยู่วเ น, นี่ยเขายังมีความทุกข์อยู่อืแล้วเขาก็พรางพลูเลยนะคะดิฉันก็ถามว่าทุกข์อะไรหรอเขาบอกว่าผมทุกข์เพราะว่ามานั่งคิด กลัวว่าไอ้ที่เรามีอยู่วันนี้มันจะพอถึงวันสุดท้ายของชีวิตหรือเปล่าเ hmm. ชื่อไหมบางวันเนี่ยลุกขึ้นมานั่งน้ำตาไหล hmm. อ่อเพราะว่ามีเงินจำนวนหนึ่งหลายล้านเลยนะคะพ hmm. อออกมาลงทุนแบ่งส่วนามานะกันส่วนลงทุนแล้วได้พบว่ามันหดหายไปเศษหนึ่งส่วนสาม ห้ไม่ 1, มหมายถึงเศษหนึ่งส่วนสามของจำนวนเต็มร้อเซนก็หายไปสักสามสิบเซนต์ะนี่ก็บอกว่าเออมันก็ย่อมมีความทุกข์แต่ดูจากอาการเขาเนี่ยเขาทุกข์มากจริงๆนะท่านคะก็พยายามพูดสารพัดนะคะแต่เขาก็หาทางออกไม่ได้ดิฉนันถึงว่าเดี๋ยวจะพาไปไปวัดเพ่อศึกษาปรูวิะญทีนี้ไหนๆก็หยิบยกเรื่องของเขามาแล้วถ้าอาจารย์คะอย่างนี้ถ้าจะให้พึ่งพระธรรม จะมีทางออกโดยพระธรรมบทใดยอย่างไรคะท่านคะคือว่าคนที่กําลังมีความทุกข์อยู่เลยเนี่ยนะคะบางทีมันฟังทําไม่เข้าใจหรอกคุณยมติวอย่างสมมติเราเราคนที่รักคนที่เราสนิทด้วยตายไปเสียชีวิตไปอย่างเงี้ยธรามะมันฟังไม่ขึ้นอนะ่ะบอกให้มีสติ ล, ลมหายใจลงมหายใจคนเงินหายคนถูกความทุกข์ผัสสะที่ไม่น่าพอใจถูกต้องเข้าแล้วเนี่ยมันลืมลมหายใจนะลืมลมหายใจไปเลย แล้วก็ในเมื่อภาษานี้มันรุนแรงมากเนะี่ยมันก็เป็นเหตุที่ทำให้เขาจะฟังทำให้รู้เรื่องกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แนะนำที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือต้องมีเพื่อนดีต้องมีเพื่อนอย่างคนที่จะแนะนำคอยปลอบโยนจิตใจเราอะไรอย่างเงี้ยนะคอยคอยดูแลมิตรเมื่อประมาทแล้วอย่างงี้นะซึ่งเป็นตัว บ, บุคคลที่พอจะมีธรรมะบ้างอะไรบ้า ง, างก็จะเป็นสิ่งที่ดีมาก อ่าอย่างกรณีอย่างเงี้ยอย่างคนมีเงินสักอ่าสี่หมื่นล้านอย่างเงี้ยนะปรากฏเงินหายไปสี่พันล้านอย่างเงี้ยเครียดบอกโหเงินหายฉันหายไปสี่พันล้านนะแต่ยังเหลืออีกตั้งสามหมื่นหกพันล้านมันก็ยังเยอะอยูด่ดิฉันก็พูดในมุมนี้กับเขานะค ะ, ะว่านี่เรายังมีเหลือตั้งเยอะเห็นไหมคนที่เขาหาเช้ากินค่ำเขาไม่มีโอกาสที่จะคิดอย่างอื่นเลยะนะคะแล้วดิฉันก็พูดอย่างนี้นะคะอันนี้พูดแบบ เราเข้าใจจริตคนที่ว่าใสธรรมะทางตรงเนี่ยอาจจะลาบากใช่เอ็งก็บอกรู้ว่าเราเนี่ยอาจจะคิดว่าทําบุญแล้วเป็นสิ่งที่ดีจะได้ขึ้นสวรรค์แต่ว่าเราจะไปรอทำไมสวรรค์ในอนาคตทำไมเราไม่ขึ้นสวรรค์เดี๋ยวนี้คือการทํานาทีนี้ให้ดีให้มีความสุขเราก็อย่าไปกังวลสิเราทานาทีนี้ให้ดีที่สุดเรากลัวอนาคตข้างหน้าเราก็สร้างเหตุปัจจัย ให้มีความมั่นคงเพื่ออนาคตข้างหน้าใช่ไหมคะแต่ว่าเอาไม่อยู่กับท่านคะอืมเพราะว่ า, เ พ, า, วาเพราะว่าอะไ ร, รเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะการไม่ได้ทําในใจโดยแยบขาย อ, อการที่ไม่โยนิโสมนัสสิการจะทาให้เขาไม่เข้าใจปัญหาทีนี้โยนิโสมนัสิการเราฟังกันมามากแล้วเราจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันโยนิโสมนัสิกานมันทํำยังไงถ้าเรามาคิดวิเคราะห์ว่าเออเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้อนาคตต้องเป็นอย่างนี้อันเนี้ยไม่ใช่โยนิโสมนัสสิการ โยนิโสมนัิการคือต้องคุณต้องพิจารณาตามหลักของเริยสสตีว่า อ, อ๋อความปัญหาคืออะไรเหตุเกิดของปัญหาคืออะไรทางออกมีไหมนะออความดับไม่เหลือของปัญหามีไหมแล้วทางแก้คืออะไรนะวิธีการทำถ้าเราพิจารณาอย่างเงี้ยถ้าคุณเพื่อนคุณยมติ๋วเนี่ยรุ่นน้องคุณยมติ๋วพิจารณาอย่างนี้นะถึงความเป็นเหตุเป็นผลตรงนี้เขาจะแก้ปัญหาของเขาเองได้แต่เพราะเขาไปยึด<า>ในอดีตอนาคตไง นั่นนะสิคะทีนี้เรื่องนี้สงสัยต้องหยิบยกไปพูดครุ่งนี้ต่อ <That. S 2> นะคะเพราะว่าต้องมีรายละเอียดนะคะท่านครับเพราะว่าเวลาเรากำลังจะหมดถูกไหมคะใช่ใชจะน่าจะเข้าใจไม่ผิดค่ะท่านผู้ฟังนะค ะ, ะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเวลาเราจํากัดจริงๆแต่ท่านพิบูลก็ยังมาพบกับพวกเราต่อในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม น, นะคะตั้งแต่ตีห้เป็นต้นไปวันนี้ก็ต้องนมัส ก, การขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งแล้วนะคะใช่ค่ะท่ัง ท่านที่มีคําถามจะเป็นคําถามแบบไหนก็ได้ลองถามมาว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยครอบคลุมที่จะตอบคําถามของท่านได้หรือเปล่าแล้วท่านไปบุญเนี่ยก็จะพยายามไปสืบค้นว่าธรรมะบทไหนนะที่เหมาะสมที่จะมารับมือกับปัญหาของท่านมาแก้ปัญหาของท่านนะคะได้ที่รายการสัมมนาสนสทนาดําเนินรายการโดยทีมสัมมนาสนทนาณพงศ์ทางสถานีวิทยุครอบครือข่าว fm หนึรสทอแล้วก็สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมระเกียรติอีก150กว่าสถานี นะคะเราก็มีหนังสือพูททวัจนะที่จะให้ท่านนำมาไปอ่านครั้งแรกอาจจะรู้สึกยากสักหน่อยแต่ว่ามันเป็นของจริงและไม่เกินกำลังที่จะทำความเข้าใจแต่ท่านกำลังเข้าถึงคำสอนทางตรงเลยนะคะที่ถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนก็ส่งมาที่02269 0006หรือ022ออขอขอภัยกันตอนนี้เราใช้เบอร์เดียวนะคะก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะเวลาหมดแล้วจริงๆ พุทธรัตดีค่ะ